วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 เมกะเฮิรตเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตเฮลดีกลับกลับของคนรักสุขภาพโดยทีรวดียิ่งมีและนัดนรีสุขดีทุกวันอาทิตย์4นาฬิกาถึง5นาริกาที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 เมกะเฮิรต สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเฮลที่คลับคลับของคนรักสุขภาพนะคะรายการสุขภาพที่อยู่คู่กับคุณผู้ฟังนะคะในทุกๆวันครอบครับวบแบบนี้ก็คือทุกๆวันอาทิตย์นี่แหละค่ะเราสองคนรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะก็ดิฉันทีรัตวดีวัสีค่ะดิฉันนัท น, นาลีสุขดีค่ะค่ะเริ่มต้นกราคมมาฝนก็ยังโปรยปลายนะคะพี่แมว ก็จะบอกว่าหนาวก็อาจจะใกล้แล้วจะโชย <c oughs> เข้ามาจะบอกว่าตอนนี้นี่บางวันนี้ <c oughs> ตอนเช้าอากาศเย็นนะ <c oughs> แล้วพอตอนช่วงบ่ายๆก็คลื้มๆฝนตกบ้างอะไรบ้างแต่ว่า จะบอกอย่างที่ทุกทีบอกค่ะคุณผู้ฟังเริ่มโชยมาแล้วเริ่มมาแตะแต ะ, แตะผิวจจช่วงของปลายฝนนะคะช่วงฤ ด, ดูปลายฝนต้นหนาวนะคะเพราะฉะนั้นอากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงสวิงไปสวิงมาบ่อยๆนะคะการดูแลสุขภาพก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเช่นกันนะคะสำหรับช่วงแรกของเราค่ะเราก็มีในเรื่องของข่าวสารและกิจกรรมสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะของดิฉันค่ะเป็นของโรงพยาบาลวิชัยเวสนะคะอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมนะคะเขาขอเชิญร่วมงานสมัครคิด นะคะซึ่งในหัวข้อก็คือภูมแพ้ในเด็กรู้ไว้ไม่แพ้ค่ะก็เหมาะกับคุณพ่อคุณแม่นะคะซึ่งเขาจะมีจัดประกวดนะคะหนูน้อยสุขภาพดีนะคะ แล้วก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้รับภูมิคุ้มกันนะคะให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ค่ะเขามีตารารับเชิญด้วยนะคะก็คือคุณยุวิปธรมวันค่ะกิจกรรมนี้ค่ะจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมนะคะเวลา9นาิกาถึง15นาฬิกาค่ะที่บริเวณ OPD เด็ก ชั้น3โรงพยาบาลวิชั ย, ววชยเวทอ้อมน้อยนะคะถ้าคุณแม่คุณแม่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสนใจนะคะอาจจะพาลูกๆไปเข้าประกวดหนูน้อยสุขภาพดีนะคะหรือว่าอยากจะไปเข้าร่วม การประกวดในครั้งนี้อาจจะยังไม่ทราบข้อมูลลองโทรไปสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์024417899นะคะ024417899นะคะหรือ c เซ็ center ก็คือ1792ค่ะ1792ถ้ามีลูกน่ารักน่ารักสุขภาพแข็งแรงก็น่าจะไปเข้าประกวดนะคะโรคภูมิแพ้ในเด็กรู้ไว้ไม่แพ้ค่ะ เอาลาคะครัมาถึงกิจกรรมดีๆที่ดิฉันนามาฝากกันในวันนี้บ้าง น, นะคะเอาใจคนรักสุขภาพค่ะก็จะมีสาระดีๆเพื่อคนรักสุขภาพมาฝากกันนะคะก็จะโรงพยาบาลนวมินทร์นะคะในวันที่26ตุลาคมค่ะให้คุณผู้ฟังนี่จองตารางนัดเอาไว้เลยนะคะว่าวันที่26ตุลาคมนะคะที่โรงพยาบาลนวมินทนะคะเขาก็จะมีวิทยากรมีสาระดีๆเกี่ยวกับความรู้ด้านสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคดูแลสมองนะคะเพื่อไหว้ ให้ห่างไกลโรคสมองเสื่อมหรือว่าโรคอัลไซเมอร์นะคะโรคปวดหลงังก็สามารถที่จะแก้แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะคะรวมถึงเทคนิคกินน้ําตาลเพื่อป้องกอันโรคเบาหวานโรคอ้วนรวมถึงโรคไขมันในเส้นเลือดเทคนิคการดูแลสุขภาพนะคะในเรื่องของไตเสื่อมหรือว่าไตวายนะคะโรคเกาต์โรคข้อเสื่อมโรคกระดูกพรุนสามารถที่จะเยียวยาได้อย่างไรบ้างนะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล่ะคะเกี่ยวกับสุขภาพ ค่ะสามารถที่จะเข้าไปรับฟังสาระดีๆแบบนี้ได้นะคะในวันที่26ตุลาคมนี้นะคะที่โรงพยาบาลนวมินทร์เนะคะสอบถามและเรียนเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ฟังที่ศูนย์สองสี่สองสองเกนะคะต่อ4123นะคะใครที่อยากรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโรคต่างๆนี่แหละค่ะอยู่ใกล้ตัวเรามากก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะคะสาระดีๆเพื่อคนรักสุขภาพที่โรงพยาบาลนวมินทร์เ้าในวันที่26ตุลาคมนี้ค่ะค่ะ มาถึงในเรื่องของข่าวสารสุขภาพบ้างนะคะ <c oughs> อย่างที่ประิดไป ต, ต้นรายการเลยว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างเปลี่ยนนะคะ <c oughs> ก็คืออาจจะทั้งร้อนกลางวันร้อนฝนตกอากาศเช้าก็เริ่มจหนาวอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ก็ระวังป่วยนะคะคุณผู้ฟังเนื่องจากช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ฝนตกต่อเนื่องหลายพื้นที่นะคะรวมถึงก็อากาศก็ค่อนข้างเย็นนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ก็มีหลายๆท่านที่ป่วยนะคะ <c oughs> ในแพทย์กิติพงศ์ สัญชาติวิรุณุ้่มนวยการสำนักป้องกันควบคุมโรคที่9นะคะเขาได้ออกมาบอกว่าช่วงนี้สภาพแปรปวนมากค่ะอาการเนี่ยมีฝนตกแล้วก็เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรงนะคะบางคนเสียชีวิตได้นะคะกลุ่มเสี่ยงก็คือหญิงที่ตั้งคัน เด็กที่อายุ6เดือนถึง2ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างเช่นปอดอุดกัน้นหอบพื้นทัวใจนะคะหลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัดแล้วก็โรคเบาหวานค่ะอีกหนึ่งกลุ่มก็คือคนที่มีอายุ65ปีขึ้นไปค่ะ ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ผู้ป่วยโรคทาระซิเมียค่ะและภูมิคุ้มกันบกพ่องนะคะรวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ค่ะที่มีอาการนะคะและผู้ที่เป็นโรคอ้วนค่ะพวกนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดนะคะควรจะฉีดวัค ซ, ซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพื่อลดความรุนแรงของโรคนะคะข้อแนะนำค่ะเขาก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยใช้มาตรการปิดล้าง ปิดล้างเรี่ยงหยุดเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใจทุกสายพันธุ์นะคะปิดก็คือปิดจมูกปิดปากนะคะเมื่อไอหรือจามหากจะป่วยด้วยไขย้หวัดคนใช้หน้ากับอนามัยคะ่ะล้างก็คือล้างมือบ่อยๆเมื่อสัมผัสสิ่งของอย่างเช่นกรอนประตูลูกบิดราวมันไดราวบนรถโดยสารนะคะเรี่ยงเรี่ยงก็คือเรื่องการคุกคีกับผู้ป่วยนะคะถ้ามีคนใกล้ชิดเราป่วย หยุดก็คือเมื่อป่วยควรจะหยุดเรียนหยุดงานหยุดกิจกรรมต่างๆแม้จะมีอาการไม่มากก็ควรหยุดรักษาตัวอย่างน้อย7วันค่ะหากมีไข้ก็ให้กินยาลดไข้ถ้าอาการไม่ดีขึ้นสองสวันก็ควรรีบไปพบแพทย์นะคะรวมถึงถ้าบางทีเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเราปวดเนื้อปวดตัวพี่แมวมางทีเรากินยาค่ะ ไปนอนแต่ว่าไม่ดีขึ้นเราควรจะไปพบแพทย์แล้วนะคะไม่ใช่คิดว่าตัวเองไม่ได้เป็นอะไรมากจะบอกว่าบางทีอาการเหล่าเนี้ยจะบ่งบอกได้ว่าคุณเริ่มมีอาการหนักมากขึ้นแล้วถ้าเกิดมีการปวดเมื่อยปวดตัวซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะเป็นสาเหตุของไข้วัดใหญ่นะใช่แล้วบางทีเนี่ยอาจจะลุกลามไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใดก็แล้วแต่ของโรคไข้หวัดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจค่ะรีบไปพบคุณหมอดีกว่าค่ะ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 ชีวิตที่เปลี่ยนเกินจะรับได้เกินที่จะยินยันเกินที่จะเข้าใจได้ไวว่าเหตุใดจึงถึงเกิดขึ้นกับเธอหากวันนี้ความฝันได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนจากวันที่เคยดู เป็นวันที่ไม่รู้จักวันที่ไม่เคยคาดหวังไวว่าชีวิตนี้จะต้องไปเจอแต่สักวันแล้วมันก็ผ่านไปไม่มีเรื่องอะไรใหม่เกิดขึ้นแล้วก็จากไปสักวัน น้ำตาจะหยุดไหลสุขทุกไรดีเท่าไรสุดท้ายก็ผ่านไปดังต้นไม้ถูกลีดเพื่อผลิใบ ดังชีวิตที่พ่ายแพ้เพื่อเริ่มไหมคุณที่ไม่เคยเจ็บคือคนที่ไม่เคยทำสิ่งไหนบอกใจเอาไว้เมื่อต้องเปเจอหัวใจ กิดแล้วก็จากไปสักวันน้ำตาจะหยุดไหลสุดทุกไร้ดีเท่าไรสุดท้ายก็ผ่านไปบนเส้นทางในชีวิตของเธอ ไปสักวันน้ำตาจะหยุดไหลสุขทุกอย่างดีเท่าไรสุดท้ายก็ผ่านไป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 กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการเฮลตี้คลับคลับของคนรักสุขภาพนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเฮลทิปค่ะเราจะมีทริปสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะพี่แมวมีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังคะมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับเราเราท่านๆเกี่ยวกับเรื่องของวัยทางานนี่แหะคะ่ะมีเคล็ดลับดีๆนะคะว่าเราจะมีชีวิตเริ่มต้นที่ดีๆๆทํางานได้เหมือนกันนะคะก็มีข้อแนะนําหลากต่อหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะมีชีวิตในการทํางานเนีมีความสุขได้อย่างไรบ้างนะคะทีนี้ทางสสสนะคะเขาก็ได้รวบรวม ข้อมูลนะคะรวมถึงความรู้ต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีความสุขในระหว่างการทำงานได้ด้วยนะคะเป็นเคล็ดลับดีๆที่นำมาฝากกันจากสสสนะคะอย่างแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังน้องทีก็คือว่าให้เราดูแลรักษาสุขภาพนะค ะ, ะง่ายๆายเลยนะคะใช่แล้วค่ะซึ่งในแต่ละวันเนี่ย ถือว่าเราอยู่ในที่ทำงานได้เกินครึ่งนะคะร่างกายสุขภาพของเราเนี่ก็ถูกฝากเอาไว้กับการใช้ชีวิตการทำงานสภาพแวดล้อมนะคะในองค์กรต่างๆทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะต้องมาสร้างความสุขให้กับตัวเองโดยให้มีสุขภาพดีนะคะทำงานได้หลากหลายวิธีรวมถึงเราอาจจะแบบมีปฏิกิริยาหรือมีอาการกิริยาที่นั่งทำงานเราไม่ถูกต้องเนี่ย เราจะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะก็คือเราต้องจัดท่านั่งตัวเองให้เหมาะสมนะคะเพื่อป้องกันการปวดคอปวดหลังรวมถึงปวดไหล่นะคะซึ่งอาจจะส่งผลอาจจะส่งผลเสียต่อกระดูกในอนา ค, คตได้นะคะหรือบางคนนู่นเลยค่ะไปถึงหมอนรองกระดูกเลยก็ได้ <c oughs> หรือว่าอ่ะโรคง่ายๆที่เราได้ย้นอยู่เป็นประจำนั่นก็คือโรคออฟฟิศซินโดรมนั่นเองเพราะว่าเมื่อนั่งทํางานานานๆเนี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเรานั่งยึดติดอยู่กับที่ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ควรที่จะลุกขึ้นมาขยับร่างกายบ้างนะคะให้ส <c oughs> สายตาเนี้ยล้าจากจอคอมพิวเตอร์บ้างบางทีก็อาจจะลุกไปมองสิ่งต่างๆรอบข้างสีเขียวบ้างหรือว่าได้พักสายตาบ้างนะคะดูแลความสัมพันธ์ของในที่ทํางานค่ะถึงแม้ว่าเราเนี้ยจะทํางานหนักหรือว่าเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนที่ดีในที่ทํางานนะคะคุณก็ต้องมีความรู้สึกว่าโอ้ฉันอยากไปทำงานจังเลยนะวันนี้ไม่มีอะไรต้องเครียดนะคะยังมีความรู้สึกว่าอยากจะไปเจอเพื่อนคนนั้นคนนี้นะคะก็แสดงว่าเรายังมีความสัมพันธ์ที่ดีในการทํางานนะคะแล้วก็ ทำให้การทำงานของเราเนี่ยประสบผลสําเร็จแล้วก็ราบรื่นได้ด้วยนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะอย่างเช่นอะเดินไปคุยกันไปทักทายกันซะหน่อยว่าวันนี้เป็นไงมากเมื่อเช้าเดินมาฝนตกไหมหรือว่าวันนี้นี่ลูกทานข้าวดีหรือเปล่าหรือว่าไปส่งลูกวันนี้เป็นไงงองแงหรือเปล่า <c oughs> ก็ถือเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีแทนที่เราจะส่งกันทางแชทไลน์หรือว่าทางข้อความต่างๆที่เราไม่ได้ปฏิ เห็นหน้าสนในการสนทนากันนะคะก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้นหรือว่าการที่ใครที่ชื่นชอบว่าโอ้ยฉันต้องมีความก้าวหน้าในการทำงานไม่หยุดหาความรู้นะคะก็คือบางทีเนี่ยองค์กรใหญ่ๆนี่เขาจะใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาบุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลนี่แหละค่ ะ, คะก็จะมีให้ไปอบรมในวิชาความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับ ตัวพนักงานหรือว่าเกี่ยวข้องกับงานที่ตัวเองทำนะคะดังนั้นค่ะก็ยังจะต้องมีการวางแผนเพื่อการเข้าร่วมหลักสูตรต่างๆที่ตัวเองสนใจก็คือบางคนเนี่ยชอบหลักสูตรนี้อยากจะไปอบรมล ะ, ะหลักสูตรแบบนี้นะคะก็ให้เราเนี่ยเขียน ความต้องการหรือว่าเขียนแผนขึ้นมานะคะเพื่อที่จะขอเข้าร่วมหลักสูตรต่างๆนะคะทีนี้ในเรื่องของความรู้ความสามารถเนี่ยก็ไม่ได้จํากัดอยู่แต่เรื่องงานที่เราทําอยู่เท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆที่คุณผู้ฟังนี้สนใจอย่างเช่นคนที่ทํางานสร้างสารรค์ก็อาจจะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใ, ใครที่เป็นนักบัญชีอาจจะอ่าฉันอยากทำอาหารดูว่างอนะอยู่กับตัวเลขมานานแล้วลองดูซิว่าจะไปทําอาหารได้หรือเปล่านะคะหรือว่าพนักงานขายอยากมีรายได้เพิ่มเติมหรือว่าอยากจะมีอาชีพเสริมลอง เรียนภาษาละลองเปเดียนภาษาดูซิอย่างเช่นภาษาเกาหลีอ่ะตอนนี้เราเป็นที่นิยมนะคะ ค, ความรอบรู้ต่างๆนี้ละค่ะก็จะทำให้การทำงานของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆนั่นเอง ต่อไปก็คือจะต้องมีคุณธรรมนะคะคุณธรรมต้องมีที่ใจของตัวเรานี่แหะค่ะซึ่งการมีคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยนอกจากจะเริ่มต้นที่ตัวเราแล้วอย่างที่ดิฉันบอกนะคะยังสามารถแสดงออกถึงแรงบัดาลใจที่ดีกับผู้คนรอบข้างได้ด้วยอย่างเช่นที่เราได้ยินเป็นประจำเลยค่ะท้องทีคุณผู้ฟังก็คือการคิดดีพูดดีทําดีนะค ะ, คะมีกฎเกณฑ์มีมารยาทแล้วก็รักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพนะคะซึ่งบางทีเนี่ย เขาบางคนเนี่ยถ้ามีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในใจแล้วถ้าเกิดใครมาปรึกษาเราเราก็สามารถที่จะให้คำแนะนำที่ถูกต้องได้แนะนำให้เขาทางที่ดีเป็นอย่างไรทางที่เสียเป็นอย่างไรทางที่ถูกที่ต้องไม่ถูกไม่ต้องจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาหรือว่าให้คำแนะนำได้ก็จะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ย ทาให้เพื่อนรค้างนี่แหละมีความสุขมากขึ้นนะคะใส่ใจคนในครอบครัวด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็คือว่าถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวเนี่ยทุกอย่างภายในครอบครัวก็จะมีความรับรูนปัญหาก็จะไม่เกิด น, นะคะการทำงานก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าหนึ่งในปัจจัยนะคะที่ทำให้หลายๆคนมคมไม่มีความสุขในการทำงานนั่นก็คือเรื่องของ รายรับรายจ่ายภายในครอบครัว <c oughs> ในี่แหละค่ะยิ่งบางคนแบบตายแล้วชักหน้าไม่ถึงหลังมีลูกสองคนเ <c oughs> ครียดนะจะต้องจ่ายค่าเทอมสองคนพร้อมกันนะคะบางคนก็เครียดอย่างที่น้องทีบอกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใส่ใจครอบครัวดูแลอยู่เสมอต้องเราต้องมีการพูดคุย ความสำคัญในครอบครัวว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องมีการประหยัดกันบ้างมากขึ้นนะคะให้เขา ม, มีส่วนร่วมในการที่จะประหยัดน้ําประหยัดไฟอะไรที่ยังไม่ต้องซื้อก็อย่าเพิ่งซื้ออะไรที่จะสามารถทดแทนกันได้เนี่ยก็ปลูกฝังลูกหลานนะคะให้เขานี่รู้จักการใช้ทดแทนนะคะให้รู้จักถึงรายรับรายจ่ายให้รู้จักถึงการมัธยัสถ์ประหยัดอดออมนะคะก็ถือว่าเป็นการเอาใจใจเอาใจใส่ครอบครัวนะคะแล้วก็จะเป็นเคล็ดลับดีๆที่ทําให้เราเนี่ยมีความสุขในการทํางานแล้วก็บางทีเนี่ย ก็ทําให้นอกจากคนทํางานค่ะตัวเราแล้วเนี่ยคนรอบข้างก็จะมีความสุขไปด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือทําให้เราไนมะ่อยากไปทํางานนะบางคนตื่นเช้ามาอย่างอย่างเช่นบอกโอ้ตายพรุ่งนี้วันจันทร์แล้วว่าจะต้องไปทํางานนะ่ะไม่อยา ก, ยากไ ป, ไป <laughs> คิดเกี่ยวอะไรใช่ค่ะแ ล, <laughs> ละยิ่งบางคนแบบเจอฝนตกตอนเช้าไปเลยค่ะฝนตกรถติดวันจันทร์แน่นอนบางคนก็จะมีความรู้สึกอ่อนล้าตั้งแต่ยังไม่ออกจากบ้านนะคะเพราะฉะนั้นสร้างกําลังใจที่ดีค่ะคิดในสิ่งที่เป็น สิ่งบวกเอาไว้นะ ค, คิดบวกเอาไว้เนี่ยก็จะทำให้ร่างกายของเราได้มีพลังมากขึ้นคิดว่าเราต้องออกไป เพื่ออนาคตเพื่อครอบครัวของเรานะคะแล้วก็ทําให้เราได้มีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นแล้วก็ขอให้ทุกคนได้มีความสุขในการทํางานมากขึ้นมีหลายตหลายอย่างเลยค่ะคุณผู้ฟังที่จะสร้างกําลังใจให้กับตัวเองนะคะบางคนก็บอกว่าไม่ได้ฉันต้องรีบทํางานฉันต้องรีบเก็บเงินอีกสักประมาณ3เดือนฉันต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่อ่าอันนี้ก็เป็นความชื่นชอบหรือว่าไม่ได้วางแผนไงอันนี้ก็ไม่ลำบากนะคะใช่ค่ะหรือว่าบางคน อ, อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้วยังเก็บตังค์ไม่ได้เท่าไหร่เลยจากที่เคยไปตั้งใจงจะไปต่างประเทศนะหรือในประเทศก็พอแต่อย่างน้อยก็ยังได้ไปค่ะพักผ่อนในร่างกายมีความสุขแล้วชีวิตของคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นค่ะอนะคะก็เป็นทริปที่ดีที่พี่แมวเอามาฝากมาถึงทริปของดิฉันบ้างนะค ะ, คะทริปของดิฉันเนี่ยเอาใจผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังพี่แมวอมปัจจุบันมีคนป่วยเป็นโรคไตยเยอะนะคะเยอะค่ะคที่สําคัญก็คืออายุในน้อยด้วยนะคะโรคไตเรื้อรังเนี่ย ถ้ากินตามพภชนะบำบัดเนี่ยจะต้องปลอดผงชูรสนะคะคุณผู้ฟังค่ะคืออย่างที่บอกอะปัจจุบันมีคนป่วยโรคไตยเยอะนะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเนี่ย ก็ควรจะเลี่ยงอาหารที่มีผงชยรสก็จะช่วยชะลอไตเสื่อมนะคะเขามีผลการวิจัยกึ่งทดลองพบการทํางานของไตกลุ่มผู้ป่วยดีขึ้นนะคะถ้าเลี่ยงอาหารที่มีผงชยรสนะคะพฤติกรรมการกินอาหารมีปริมาณที่มีปริมาณโซเดียมสูงเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคใตโ ด, ดยเฉพาะวัยทํางานที่ใช้ชีวิตคือบางทีเราจะซื้ออาหารสําเร็จรูปหรือว่าอาหารกล่องสําเร็จรูปจากร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่ก็จะมีปริมาณโซเดียมสูงหรือนิยมเติมนะคะพริกน้าําปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือผู้ป่วยที่เป็นโรคไตในระยะแรกเนี่ยจะไม่พบอาการผิดปกติทำให้ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าป่วยแต่จะพบเมื่อโรคดำเนินไปมากแล้วหรือเข้าสู่ไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องได้รับการรักษาหรือว่าบำบัดทดแทนไตการปลูกถ่ายไตนะคะครนี้ก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต แล้วก็สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาจำนวนมากนะคะผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเนี่ยต้องระมัดระวังในการบริโภคอาหารนะคะโดยเฉพาะอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็คือทานข้าวต้องไม่เกิน6ทัพีต่อวัน อ, อข้าวขาววุ้นเส้น เนี่ยคาร์โบไฮเดทก็คือข้าวขาววนเส้นก๋วยเตี๋ยวซาคูอย่างนี้นะคะหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงข้าวกล้องและขนมปังสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคไตเรื้อรัง <c oughs> ระยะที่ 1-3 เนี่ย <c oughs> <c oughs> นะคะ <c oughs> ต้องห้ามทานข้าวกล้องหรือว่าขนมปังบริโภคอาหารกลุ่มโปรตีนไม่เกินเจดช้อนโต๊ะต่อวัน และผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ 4-5 ถึงก็ต้องไม่เกิน5ช้อนโตะต่อ ว, ว, ว, วันค่ะก็พวกไข่ขาวเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อเนื้อหมูไม่ติดมันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องควบคุมการบริโภคก็คือต้องลดหวานมันเคม็มแล้วก็ต้องดื่มน้ำ 1.5 ลิตรต่อ ว, วันค่ะซึ่งในผู้ป่วยโรคไตระยะที่3ที่4เนี่ยที่ปัสสาวะน้อยลงแนะนาปริมาณน้าดื่มเท่ากับปริมาณปัสสาวะนะคะทั้งวันบวกอีก500มลตร ปัสสาวะบ่อยแค่ไหนก็ต้องดื่มน้ำเพิ่มไปอีก500มิลลิลิตรนะคะหลีกเลี่ยมผักและผลไม้ที่มีโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสสูงอย่างเช่นแครอทบอกคกอรี่ถั่วฝักยาวฟักทองมะเขือเทศแก้วมังกรมราร์กอพวกน้ำส้มั้นผลไม้รวมนะคะอาหารที่มีพิวรินสูงพวกเครื่องในสัตว์ห้ามทานนะคะคนที่เป็นโรคไตเรื้อรังยอดผักใจผักหน่อไม้ดองนะคะ อีกทั้งต้องควบคุมโซเดียมและหลีกเลี่ยงการใช้ผงชูรสในการปรุงอาหารหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะนอกจากนี้แล้วก็ต้องป้องกันภาวะไตเสื่อมซึง่จะนำไปสู่โรคไตเลือหลังด้วยการบริโภคอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการนะคะรวมถึง บริโภคอาหารลดหวานมันเคม็มลดนะคะก็คือลดปริมาณเนี่ยโดยบริโภคน้ําตาลไม่เกินหช้อนชาต่อวันน้ํามันไม่เกินหช้อนชาต่อวันค่ะเกลือเนี่ยไม่เกินหนึ่งช้อนชาต่อวันนะคะทั้งในผู้ป่วยโรคไตและคนทั่วไปนี่แหละเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะคะผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเนี่ยมีการจัดการดูแลอาหารด้วยตัวเองหรือมีผู้ดูแลผู้ป่วยช่วยสนับสนุนจะช่วยทะลอการเสื่อมของไตได้นะคะคือเขาก็มีการวิจัยนะคะโดยพัฒนาโปรแกรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคอาหารของผู้ป่วยด้วยการแนะนําให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการปรุงอาหารด้วยผงชูรสนะคะซึ่งเป็นทางเลือกที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของไตและช่วยให้การทํางานของไตดีขึ้นนะคะเขาก็ศึกษาทดลองค่ะโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนะบําบัด ะะสำหรับผู้ป่วยโรคไตกลุ่มเรื้อรังกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเรื้อรังที่มาเข้ารับรักษาตัวกับโรงพยาบาลจำนวน92คนค่ะประกอบไปด้วยกลุ่มทดลอง44คนนะคะกลุ่มควบคุม48คนภายหลังการศึกษา4สัปดาห์4สัปดาห์ก็คือ1เดือนเนี่ยพบว่าการทำงานของไตของผู้ป่วยในกลุ่มทดลองกลุ่มทุกควบคุมดีขึ้นและกลุ่มทดลองมีความตระหนักรู้ถึงความ ลดเลี่ยงผงชูรสให้น้อยลงนะคะเขาก็เปรียบเทียบชัดเจนเลยพี่แมวถ้าเป็นผู้ป่วยโรคไตเนี่ยทดลองให้กลุมอาหารก็ไม่คุมอาหารในเรื่องของผงชูรสอย่างเดียวนะคะปรากฏว่าหนึ่งเดือนอะกลุ่มที่ควบคุมอาหารเนี่ยมีอาการดีขึ้นนะคะคคอืก็ไม่อยากให้ทานผงชูรสนะคะพี่แมว ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องหลีกเรียนที่จะไปสั่งอาหารตามสั่งก็บางคนเนี้ยอาจจะต้องทําอาหารทานเองเพราะว่าบางทีนอกบ้านมันควบคุมไม่ได้น้องทีบางทีเราไปจู้จี้จุ๊จิกกับแม่ค้ามากๆบางทีเราก็ต้องใส่ผงชูรสบางคนไม่ใส่ผงชูรสใส่กระอะไรไม่ใส่น้ําปลาใส่น้ํามันน้อยๆไม่เอากระเทียมเจียวไม่นุ่ไม่นี่จะโดนแม่ค้าอาจจะคุยยังอะไรมาก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราทําเองเนี่ยเราจะมั่นใจได้ว่าวัตถุดิบที่เรานํามาทำเนี้ยมันดีแล้วก็ ต่อสุขภาพอะไรยิ่งถ้าเกิดว่าใครเป็นโรคไตเนี่ยจะต้องดูแลมากขึ้นกว่าคนปกติเนี่ยหลายเท่าเลยทีเดียวเพราะว่าเขาจะมีจำกัดในเรื่องที่ทุนทีบอกจะต้องเท่านั้นช้อนชาจะต้องเท่านี้ช้อนโต๊ซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราไปทานนองบาง้านทีมันควบคุมยาก แล้วบางทีนี่มันความรู้สึกวมันไม่อร่อยใช่ไหมค่ะไม่ใส่ผงชูรสไม่เค็มไม่หวานก็ดีนะทานได้น้อทานได้น้อยเขาให้กินแค่วันละไม่เกินหกทัพพีต่อวันค่ะตระกูลคาร์โบไฮเดทไม่ใช่เฉพาะข้าวนะคะถ้าทานก๋วยเตี๋ยวก็ต้องรวมให้หมดทุกอย่างเพิ่มถว่าเป็นแป้งเหมือนกันเป็นคาร์โบไฮเดตเหมือนกันนะคะเขาเอามาฝากคุณผู้ฟังค่ะเป็นทริปดีๆจากเราทั้งสองคนนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกับช่องสุดท้ายของรายการกันค่ะสักครู่ค่ะเฮลที่กลับ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 ที่ไม่ต้องคอยง อ, อ ก, กันหรือต้องโกรธกันนานจนรู้ที่หัวเตียนั้นยังเริ่มสีจางคล้ายๆเรือเ่องาวที่มันพ้นผานยิ่งนานก็เหมือนเราจะยิ่งหา่างรู้ว่ามันจบแล้ว ไม่มีสิทธิ์แล้วปล่อยให้เรื่องราวมันผ่านพ้นไปปล่อยให้เวลามันรักษาแผลในจใจเมื่อว่าจะดีขึ้นแล้วแต่ความจริงแล้วยังไม่ลืมทุกรอยยิ้มควเจ็ไม่อาจลืมช่วงเวลาที่เคยสูดทุกวันตั้งแต่วันที่เรา พบเจอก็คลายคลายว่าจะดีขึ้นแล้วแต่ว่าสุดท้ายฉันก็ยังไม่อยากลบเรือร่องราวที่เราเคยสัญญาว่ารู้จะอยู่ข้า ง, งกันต่อไปจนถึงคำพูดสุดท้ายที่เธอ ที่ไม่มีคการทักใจที่ไม่มีใครมาคอยวุ่นวายที่ไม่ต้องคอยรับใครหรือคอยส่งใครนานจนกลิ่นน้ำหอมของเธอมันค่อยค่อยจางต้นไม้ที่วางอยู่ในหน้าตาก็เริ่มเหี่ยวเช้าลงเหมือนทุกอย่าง ก็รู้ว่ามันจบแล้วไม่มีสิทิแล้วปล่อยเวลามันผ่านพ้นไปปล่อยให้เวลามันรักษาแพ้ในใจเหมือนว่าจะดีขึ้นแล้วแต่ความจริงแล้วยังไม่ลืมทุกรอยยิงขึ้นใจไม่อาจลืมช่วงเวลาที่เคยสุดก ตั้งแต่วันที่เราได้พบเจอก็ใคลนแคลนว่าจะดีขึ้นแล้วแต่ว่าสุดท้ายฉันก็ยังไม่อยากล้รือราดที่เราเคยสัญญาว่ารู้จดอยู่ข้างกันตลอดไปจนถึงํำพูดสุดท้ายที่เธอ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 กลับมาพบกับช่วงที่3ของรายการเทวตีขับขับของคนรักสุขภาพนะคะก็ยังอยู่กับดิฉันทีรวดีและพี่แมวคุณนัดนารีนะค ะ, ะช่วงที่3าเป็นช่วงของ Health Talk ค่ะ Health Talk ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยในเรื่องของโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะเป็นโรคใกล้ตัวนี่แหละซึ่งหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนะคะ จริงๆแล้วเราก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าคันๆเกาๆมีผื่นแดงขึ้นตามตัวบริเวณต่างๆในร่างกายเนี่ยถูกเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็พบได้บ่อยมากในทุกเพศทุกวัยค่ะแต่ว่าหลายคนก็มองข้ามไม่ใส่ใจกับโรคนี้นะคะซึ่งอาจจะ ก, ก่อให้เกิดภาวะรุนแรงหรือเรื้อรังขึ้นได้ค่ะโรคผื่นผิวหนังอักเสบเนี่ยชนิดผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยทาให้เสียบุคลิกภาพนะคะ เสียสมาธิเสียจิตใจแย่ลงส่งผลกระทบต่อการทํางานและชีวิตประจําวันพี่แมวนั่งๆ่งอยู่เกานู่นเก้านีเก้านั่นเราอาจจะดูไม่รู้นะคะบางทีมันเป็นพฤติกรรมที่ เ, ออเราไม่ได้ไม่รู้ตัวนะออแต่ว่าถ้าเราเห็นเนี่ยมันก็คือไอ้คนนี้บุคลิกภาพไม่ดีเลยเสียบุคลิกภาพนะคะคือทุกๆปีเนี่ยเขามีวันของโรคนี้นะคะก็คือเมื่อ14บกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันของโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังโรคนะคะวงวงการแพทย์เขาก็ตระหนักให้ประชาชนเนี่ย รู้แล้วก็ป้องกันโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังซึ่งเป็นโรคที่มีอาการผิวหนังอักเสบเรื้อรังเป็น เ, นเนหายหายและมีปฏิกิริยาภูมิแพ้และปัจจัยหลายๆอย่างร่วมกันนี่แหละทําให้เกิดผิวหนังแห้งและคายเคืองมีผื่นคันตามตัวบริเวณต่างๆพบในเด็กค่ะมักพบในเด็กและเกิดขึ้นกับทุกวัยนะคะพบได้เด็กเนี่ยร้อยละสิบถึี่สบนะคะซึ่งพบได้น้อยกว่าส่วนผู้ใหญ่จะพบได้น้อยกว่าเด็กนะคะลักษณะอาการเนี่ยมี3ามแบบ คือผืนระยะเฉียบพันธุ์ก็คือมีผืนบวมแดงคันตุ่มแดงตุ่มน้ำบางรายมีน้ำน้าเหลืองไหลซื่อออกมาระยะกึ่งเฉียบพันธุ์ก็คือมีผืนมีตุ่มแดงมีคุยอาจจะมีตุ่มน้ำบ้างไม่พบน้ำเหลืองไหลไหลบนผื่นนะคะส่วนระยะเรื้อรังเนี่ยเป็นผื้นที่ สีไม่แดงมากแต่ออกเป็นสีน้ำตาลแบบนูนนาะคันมีขุยเห็นล่องผิวนังชัดเจนค่ะตำแหน่งที่พบบ่อยนะคะก็คือไวที่พบก็คือเป็นไวทารกนะคะพบบ่อยก็คือบริเวณใบหน้าซอกคอ ด้านหน้าของแขนขาเนื่องจากบริเวณที่ถูไทยกับหมอนอันนี้ในเด็กนะคะผ้าปูที่นอนนะคะส่วนในวัยเรียนและผู้ใหญ่เผืนผิวหนังอักเสบพบได้หมอยบริเวณข้อพับแขนข้อพับขาและก็คอนะคะในรายที่เป็นมากๆผื่อจะเกิดทั่วร่างกายะคะ่ะผู้ป่วยอาจจะมีภาวะภูมิแพ้ทางจมูกทางตาหอบผืดร่วมด้วยบางรายพบรอยโรคผิวหนังอื่นๆอย่างเช่นมีกักน้ำนมขอบตาคล้ำมีรอยย่นใต้าตาริมฝีปากแห้งเป็นขุยนะคะซึ่ง ผิวหนังหน้าแข้งนะคะแห้งแตกเป็นแผ่นๆอะไรอย่างนี้นะคะสาเหตุของโรคเนี่ยเขายังไม่ได้ทราบแน่ชัดหรอกเชื่อว่าพันธุกรรมก็มีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีประวัติภูมิแพ้ในครอบครัวเช่นแพ้อาการ หรือว่าจำบ่อยๆโรคคอผื่มีโรคผิวหนังอักเสภูมิแพ้ร่วมด้วยนะคะผู้ที่ไม่มีประวัติภูมิแพ้ในครอบครัวก็อาจจะเป็นโรคนี้ได้เนื่องจากความผิดปกติทางพันธุกรรมอาจจะซ่อนเล้นอยู่โดยที่ไม่ได้เกิดอาการค่ะ mm. นอกจากนี้ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญก็คือสิ่งแวดล้อมเช่นอาหารไดฟนสารก่อระคายเคืองสารก่อภูมิแพ้ นะคะแล้วก็โรคผิวหนังของผู้ป่วยจะไวต่อสภาพแวดล้อมอย่างเช่นสภาวะอากาศร้อนเกินไปเย็นเกินไปหรือสารเคมีระคายเคืองนะคะผิวหนังรวมทั้งมีสิ่งมีชีวิตเช่นแรลงเชื้อโรคต่างๆด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสาเหตุของโรคใช่ั้ยคะทีนี้มาดูการเริ่มแรกของโรค พืนภูมิแพ้ผิวหนังกันบ้างนะคะซึ่งประมาณร้อยละ50นะคะก็จะพบในเด็กช่วงขวบปีแรกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นประมาณร้อยละแจะพบในเด็กประมาณ5ขวบปีนะคะซึ่งอาการนี้มักจะเป็นโรคเรื้อรังคือแบบไม่หายขานะคะคุณผู้ฟังคือ เขาก็จะแบบเป็นๆหายๆนะคะซึ่งส่วนใหญ่อาการก็จะค่อยๆดีขึ้นเมื่อผู้ป่วยในมีอายุเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็เพราะว่าประมาณร้อยละ4 0่สถึงห้ของผู้ป่วยนี่แหละคะ่ะอาการจะดีขึ้นนะคะเมื่อน้องๆในมีอายุประมาณ10ปีขึ้นไปแล้วนะคะหรือเด็กบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการเรื้อรังต่อไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ขณะที่ผู้ป่วยบางคนหรือว่าน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะเริ่มมีผื่นภูมิแพ้นะคะในช่วงของวัยผู้ใหญ่ก็ได้ซึ่งการวินิจฉัยโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะอาศัยจากลักษณะาทางคลินิกเป็นส่วนใหญ่ ก็คือว่าจะต้องมีการทดสอบทำผิวหนังไม่ว่าจะเป็นการเจาะเลือดนะคะเพื่อดูสารแอนติบอดีต่อสารภูมิแพ้ต่างๆหรือว่าการทดสอบการแพ้อาหารนะคะไม่มีความจำเป็นนะคะสำหรับการวินิจฉัยโรคในกรณีที่ให้การรักษาอ ย, ย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมอยู่แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าอาการไม่ดีขึ้น หรือว่ามีการดูแรงมากขึ้นเนี่ยก็ต้องดูที่คุณหมอละค่ะว่าจะพิจารณาการทดสอบเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าเลือเรื่องแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมอย่างไรในผู้ป่วยแต่ละรายกันไปนะคะ ทีนี้เป้าหมายของการรักษาโรคผื่นภุมิแพ้ผิวหนังเนี่ยเป้าหมายในการรักษาก็คือจะต้องพยายามควบคุมอาการของโรคให้ได้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้โรคเนี้ยกาเริบมากขึ้นแล้วก็ให้อยู่ในช่วงสงบนานที่สุดเท่าที่จะทําได้จนกว่าโรคนี้จะหายไปซึ่งแนวทางการรักษานะคะก็อาจจะต้องเลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆที่ทําให้เสี่ยงต่อการอาการกําเริบนะคะอาจจะเป็นการทาสารเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนงังเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวแห้งอาจจะเป็นครีมต่างๆนะคะแล้วก็หลังจากที่อาบน้ำเนี่ยก็ควร ที่จะทาโลชั่นหรือาทาครีมบำรุงผิวนะคะใครที่มีผิวหนังที่แห้งง่ายก็ไม่ควรที่จะอาบน้ําบ่อยเกินไปเพรา ะ, ะจะทําให้ผิวในยิ่งแห้งมากขึ้นอแต่อันนี้ก็อาจจะไม่เป็นข้ออ้างสาหรับคนที่ไม่อาบน้ํา <c oughs> ีเกี่ยนำ้นำไม่เกี่ยวยนะคะไม่เกี่ยวค่ะทีนี้การใช้ยานะคะการลดการอัเสบของผิวหนังเนี่ยก็คือจะต้องทาบริเวณที่มีผื่นนะคะหรือว่าอาการเหี่ยวยงอักเสบเพื่อควบคุมอาการไม่ให้มีาการลุกลามมากขึ้นนะคะทีนี้ ในรายที่เป็นผื่นมากขึ้นนะคะหรือเป็นบริเวณกว้างเนี่ยคุณหมออาจให้ยารับประทานร่วมด้วยซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีการรักษาโดยการฉีดยาแล้วล่ะนะคะซึ่งเป็นความก้าวหน้าทางการรักษาของโรคนี้นั่นเองโดยคุณหมอจะเลือกใช้ในรายที่มีอาการในระดับปานกลางจนถึงขั้นรุนแรงแล้วก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีอื่นๆโดยทั่วไปนะคะซึ่งคุณหมอในรักษาอยู่ Shakes แล้วคือบางคนเนี่ยทายาไม่อยู่ละก็ต้องก็จะต้องพัฒนาเป็นการฉีดยานั่นเองนะคะ <Emp> ทีนี้ในกรณีที่ผู้ป่วยสงสัย ว่าตัวเองเนี่จะมีอาการโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังหรือเปล่านะคะก็ควรที่จะมาปรึกษาคุณหมอเพื่อเป็นการวินิจฉัยแล้วก็การรักษาที่ถูกต้องโรคที่เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างที่นุองทีบอกคืออาจจะทําให้เสียบุคลิกภาพคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวเหมือนกันการเรียนการนอนก็อาจจะทำให้เสียไปรวมถึงเสียความมั่นใจการเข้าสู่สังคมนะคะซึ่งผู้ป่วยบางรายนี่อาจจะลืมคือบางคนเนี่ย ไม่ได้สนใจว่าเอ้ยอเราต้องใส่เสื้อผ้าปกปิดร่างกายนะคะเพื่อปกปิดผิวหนังส่วนนั้นๆ น, น, นะคะเนื่องจากว่ามีความอายล่ะนะคะนั่นระคาก็จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันมากขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาพบคุณหมอแล้วเนี่ยคุณหมอจะทําการรักษาอ ย, ย่างเหมาะสมนะคะช่วยป้องกันการกําเริบของผื่นได้แล้วก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเข้าร่วมในสังคมได้ตามปกติแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วยนะอ มาถึงอาหารบ้างดีกว่าอาหารช่วยต้านโรคภูมิแพ้นะคะมีอะไรบ้างนะคะก็อาหารที่ต้านโรคภูมิแพ้เนี่ยก็จะมีในกลุ่มของวิตามินซีก่อนค่ะค่ะวิตามินซีมีส่วนช่วยในการป้องกันนะคะการหลั่งอิสตามีนนะคะซึ่งเป็นสารสําสคัญที่ร่างกายสร้างขึ้นและทําให้เกิดอาการภูมิแพ้นะคะอาหารเพิ่มวิตามินซีก็เช่นผักใบเขียวอตําลึงค่ะพวกใบเขียวต่างๆนะคะบลอกเกอรี่นะคะผักโขม หรือว่าพวกคณาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในผลไม้เนี่ยก็จะเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอย่างเช่นส้มสับ ป, ปะรดนะคะสตรอเบอรี่มะนาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยสิ่งเหล่านี้จะสามารถดัดแปลงเมนูได้ตามที่เราต้องการบางทีเราเอาน้ำมะนาวมาคั้นเป็นน้ำสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่แมวค่ะดื่มสดๆก็ได้นะคะก็คือถ้ามีวิตามินซีก็จะต้านโรคภุ้มแพ้ได้นะคะมาถึง กลุ่มวิตามินเอบ้างนะคะก็ะจะช่วยสร้างเนื้อเยื่อแล้วก็เสริมสร้างเยื่อบุต่างๆของร่างกายปรับเปลี่ยนการทำงานของระบบคุมคุมกันในทางเดินหายใจและอาหารให้สมดุล น, นะคะอาหารเพิ่มวิตามินเอนะคะพบมากในผักผลไม้ที่มีสีเขียวเข้ม สีส้มสีเหลืองอย่างเช่นฟักทองฟักทองจะมีวิตามิน A สูง<ะ>แคอารอทมะละกอสุกมะม่วงสุกแคนตาลูปมะเขือเทศนะคะกลุ่มโปรตีนโปรตีนกลุ่มนี้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้เพราะหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดของโปรตีนก็คือกรดอะมิโนซึ่งมีสารสําคัญในการนําไปสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆอาหารที่ช่วยเพิ่มโปรตีนนะคะก็คืออาหารหลักทั้ง5้าหมู่นี่แหละซึ่งมีมากในเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อรวนๆอย่างเช่นเนื้ออกไก่เนื้อหมูไข่ ไก่นะคะแล้วก็ถั่วต่างๆค่ะ ทีนี้มาถึงกลุ่มโอเมก้ากันบ้างนะคะก็จะมีโอเมก้าสนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการลดอาการอักเสบปรับภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยในเรื่องของการตอบสนองต่อเชื้อโรคแล้วก็สามารถแล้วก็สารแปลกปลอมที่จะสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทีนี้อาหารที่เพิ่มโอเมก้าสมีอะไรบ้างอย่างเช่นปลาค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นสารพัดปลานะคะก็อาจจะเป็นปลาจากปลาทะเลน้ําลึกอย่างเช่นปลาทูน่านะคะปลาแซลมอนหรือว่าจะเป็นปลากระพงปลาทูที่หากันง่ายๆนี่แหละค่ะซึ่งอาหารกลุ่มนี้เนี่ย จะมีส่วนไปกระตุ้นอาการภูมิแพ้ได้ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่กอ่อนให้แน่ใจก่อนนะคะคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังนแพ้อาหารทะเลยอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าส่วนมากเ น, นกรดไขมันโอเมก้า3านี่แหละก็จะมีประโยชน์แล้วก็เขาก็จะอยู่ในพวกสัตว์ เป็นปลาทะเลน้ำลึกนะคะมาถึงกลุ่มซิลิเนียมดูบ้างค่ะซึ่งอาหารกลุ่มนี้นี่จะช่วยในเรื่องของกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้ามาสู่ร่างกายได้อาหารที่มีซิลิเนียมก็คือพวกตระกูลหอมค่ ะ, คะหอมเล็กหอมใหญ่นะคะหอมแดงนะคะได้เหมือนกัน ฟลาวอนอยนะคะสารชนิดนี้เป็นสารต้านอาการแพ้แล้วก็ลดอาการอักเสบรวมถึงช่วยยับยั้งการปล่อยสารฮิสตามีนที่ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ก็จะพบมากในตระกูลหอมเหมือนกันค่ะนะคะหรือว่าในกระเทียมแล้วก็ในแครอทผักกาดหอมแอปเปิลก็ได้เหมือนกันก็จะมีอาหารในกลุ่ม ฟลาวนอยด์เหมือนกันทีนี้เนี่ยคำแนะนำที่เราทั้งหมดสองคนได้บอกกันมานะคะผู้ที่ไม่แพ้อาหารเหล่านี้ถ้าเกิดไม่แน่ใจคุณฟังค่ะควที่จะปรึกษาคุณหมอก่อนอซึ่งนอกจากการทานอาหารต้านภูมิแพ้เหล่านี้แล้วนะคะสิ่งหนึ่งสำคัญก็คือ น, นั่นก็คือกอากรออกกำลังกายอ่าการพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นอาการร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะไปในที่ที่เอ ไม่แน่ใจว่าจะมีแมลงสัตว์กับต่อยมีพิษของแมลงหรือเปล่าเราก็อย่าไปหรือว่าถ้าเกิดใครที่ต้องไปในที่มีฝุ่นละอองเยอะๆก็อย่าไปนะคะอันนี้ก็ต้องดูที่ตัวกระตุ้นด้วยนะคะสิ่งรอบข้างสิ่งแวดล้อมนะคะว่าถ้าเกิดเราไปแล้วเนี่ยจะไปกระตุ้นให้เราเกิดภูมิแพ้ผื่นผืนเพิ่มขึ้นหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้น <c oughs> บางทีเนี่ยก็ต้องอยู่กับเราปฏิบัติตัวด้วยนะ อ, อาหารการกินด้วยออกกําลังกายด้วยดื่มน้ําด้ว ย, ลยหลายต่อหลายอยามที่ผสมรวมกันค่ะคุณผู้ฟังเราก็จะทําให้ มีสุขภาพที่ดีนั่นเองค่ะบางทีอยากคิดว่าเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเน่ยเป็นโรคที่ไม่สําคัญนะคะค่ะคราวนี้ปล่อยให้เป็นไปไเรื่อยๆพี่แมวมันก็เกิดอาการขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ น, นะคะเสียบุคลิกภาพอย่างที่บอกแล้วมันเป็นโรคอะไรซึ่ง เขาเรียกอะไรอ่ะในชีวิตประจําวันอ่ะมันกวนใจนะคะคือบางคนเนี่ยจะเสียความมั่นใจไปเลยคือเราจะบางบางทีน้องทีเคยสังเป็นรอยนะพี่แมวคือสังเกตไหมคะว่าบางทีเราเป็นแผลอย่างเงี้ยมีความสังเกตมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทําไมคนนี้ชอบใส่เสื้อแขนยาวอ๋อเขเป็นแบบนี้นี่เองนั่นก็คือทําให้เขาเนี่ยเสียบุคลิกคือบางทีเนี่ยอยากจะใส่เสื้อแขนสั้นหรือว่าอาจจะเสื้อแขนกุดแต่ว่าด้วยเรามีแผลแบบนี้คือบางคนอาจจะไม่ได้เป็นแผลแบบหูห็นชั้นมากมายแต่ว่าบางทีเนี่ย คือบางทีมันเป็นขุยอะ้าเป็นขุยนขื้นทีก็จะเป็นเยอะเป็นขุยข่าวเนี่ยเราก็ต้องถามเอ้ยเป็นไรอ่ะเอาละบางคนก็จะเสียความมั่นใจแล้วอย่างงี้เป็นต้นนะคะก็อย่างที่น่องทีบอกว่าบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบไกลตัวจนเกินไปนะบางทีเป็นเรื่องใกล้ตัวแบบนี้ล้วค่ะเราก็ต้องให้ความสนใจแล้วก็บางทีถ้าเกิดตุ่มเล็กตุ่มน้อยหรือการคันผิดปกติจะเป็นกรากเป็นเกลื่อนหรือเป็นอะไรก็แต่บางทีเราก็ต้อง อย่าวัาใจนะไปซื้ อ, อยามาทาเองไงคะพี่แมวโดวยที่ไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุ น, นะค ะ, คะทั้งที่ดีก็ต้องไปดูว่าเราแพ้อะไรใช่ที่สําคัญคือเราต้องรู้ด้วยว่าตัวเราแพ้อะไรคือบางคนเนี้ยแพ้ไม่เหมือนกันน ะ, ะอย่างเช่นแพ้แหละแต่ว่าคนเนี้ยอ่ะแพ้แมลงเกสรบางคนแพ้อาหารทะเลซึ่งตัววัดมันก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีความรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจว่าเราแพ้อะไรหรือว่าต้องสังเกตด้วยนะว่าเอ๊ะ เราทานอาหารทะเลไปเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราคันน่ะมีผื่นขึ้นน่ะบางคนคิดว่าโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกกินยาแก้แพ้แล้วก็อาจจะเป็นลมพิษก็ได้อ่าคิดเป็ น, นทำนองนั้นซึ่งความจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้หรือบางคนอ่าเทศกาลปีใหม่ไปถ่ายรูปสวยงามแพ็เคเกสสอดอกไม้กลับมาผื่นขึ้นเต็มตัวซะงั้น อ, อุ้ยเป็นอะไรอ่ะอ๋อคงม่มีอะไรหรอมกมั้งเดี๋ยวไปอาบน้ําก็หายบางทีการสารันนิษฐานผื้นอ่า เบื้องต้นแบบนี้บางทีก็ใช้ไม่ได้เสมอไปนะคะคุณนุฟังฉะนั้นแล้วอย่างที่เราสองคนบอกค่ะว่าให้สังเกตอาการแล้วก็ไปพบคุณหมอดีที่สุดแล้วก็เล่าอาการให้ครบถ้วนด้วยนะคะว่าเป็นอะไรเมื่ อ, อไรไปเจออะไรมาบ้างเพราะว่าการที่มีแผลอาการแพ้แต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วก็การรักษาบางทีก็ขั้นตอนการรักษาก็จะแตกต่างกันด้วยค่ะก็อย่าปล่อย ให้โรคอาการภูมิแพ้อย่างนี้นะคะพืนผิวหนังเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณมองข้ามไปแล้วกันนะคะค่ะก็เอามาฝากกันค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการของเรามาโดยตลอดนะคะพบกับเราได้ใหม่ในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันธีรวดียิ่งมีค่ะดิฉันนัดนาลีสุขดีค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮที่กลับกลับของคนรักสุขภาพ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 การมากมายจนเธอไม่คิดถึงฉันมันคงเป็นกรรมที่ต้องก หับมองขาใจของฉันมันคงเป็นกรรมที่ต้อง